เรียกว่าทัวร์บุญเหมือนกันแต่หากว่าปฏิบัติได้แล้วไม่จําเป็นต้องทัวบุญเสมอหรือเขามีขอร้องให้ช่วยเหลือการเรียกว่าบุญสงเคราะห์ควรจะสงเคราะห์ตัวเองก่อนนะค่ะให้ได้ก่อนทัวตัวเองก่อนแล้วก็ไปทัวบุญที่ที่ที่หลังต่อไปก็ขอเจริญพรอย่างนั้นเพราะขาเรื่องวัดสามวัดนะคะหลวงพจะกรุณาอธิบายเพิ่มเริมตอนดีมากไม่ใช่มาถึงวัดพมวันถ้าคนไหนเน่ยจะอยู่บ้านหรือมันมีเวลาน้อยค่ะถ้าฝึกเรียบร้อยดีทําที่บ้านให้เข้าเดี๋สมวัด ถ้าถึงสามวัดแล้วก็ถึงธรรมะเนี่ยไม่ใช่วัดอัมพวันนะไม่ใช่วัดโพหรือวัดวัดชินร่าเลยหรอกหนึ่งวัดที่หนึ่งถ้าคุณโยมมีธรรมะวัตถูกทำมีธรรมะแล้วบ้านสะอาดเลยคือกินสะอาดที่ใช้สะดวกกินของล่นอนในม่งทุ่งในช่วงสูงของท้าเยืนอโลกยืนรับยิงคันรบผู้บังคับบัญชาแจ้งคถานะเราผู้ใหญ่ย่ายิ่งดูได้นี่วัดทีิหนึ่ะวัดถุูกทำวัดที่สองวัดอารมณ์ค่ะวัดอารมณ์ดูลมให้ใจเข้าออกก็รู้ วันนีคิดอะไรค่ะแล้วอารมณ์ดีเรืออารมณ์สุขยากะวัดนี้ค่ะรู้เท่าทันตัวเองรูเท่าทานตัวเองให้ได้แล้ววัดที่สามวัดจิตวัดใจวัดนอกวัดในจะช่างคือมาดูแต่ชูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าเฝ้าจะวัดรับรองถึงธรรมะเข้าสามวัดเฉยๆไม่ต้องไปทัวบุญสังเกตเห็นว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะหลวงพ่อมีกันมากเหลือเกินนะคะแล้วก็เป็นวัยรุ่นซะเยอะ ค่ะแล้วทีนี้พวกที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยนะคะส่วนมากเขาเข้ามาวัดด้วยปัญหาอะไรบ้างคะอ๋อคนมาที่วัดเรามีหลายประเภทนี่จะขอพูดเรื่องบุคคลทั่วไปก่อนค่ะมีทั้งพระสงฆ์องค์เนรไม่ชีมีทั้งอุบาสกมรดิกาหลายแห่งหลายที่มาประสมกันค่ะแล้วกระโจดมุ่งหมายคนเราก็เข้ามาก็เด็กก็เยอะค่ะแล้วผู้ใหญ่ก็เยอะวัยรุ่นก็มากค่ะแล้วส่วนมากก็มาในประเภทไหนใช่ไหม ประเพทย์ที่มีศรัทธาน้อยมากประเภทย์มีทุกทั้งนั้นโอเป็นอย่างนั้นประเภทมีทุกและประเภทมีศรัทธาเนี่ยขอเจริญพรเบื้องต้นค่ะประเภทมีศรัทธาจริงๆอ่ะสี่สิบอร์ซค่ะแต่ประเภทมีทุกขถึงหกสิปอร์ซค่ะรวมเป็นร้อยปอร์ค่ะแต่ส่วนมากก็มีทุกขขอเจริญพรต่อไปว่าคนเราเนี่ยมันเข้าวัดไม่ใช่มาแสวงหาธรรมะค่ะมันมีทุกขหาที่พึ่งไม่ได้เค่ะก็ต้องาปพึ่งวัด พึ่งศาสนาเป็นตัวหลักเป็นตัวแกงกลางของเขาเขาก็ไม่ทราบ ว, ว่าพระเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ไหมเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมีทุกข์โศกโรคภัยมีสเสียดจังร้ายแล้วก็มีความกุ้มอกกุ้มใจของเขาก็เหมือนเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่มาตัดคนเราก็หลงไ ป, ไปไปไปบูชาเทวดาบนกระผีตีตีกับต้นไม้ก็ไม่มีที่ปรึกษา คนเราเนี่ยมันมีทุกข์ก็มัหาทางไปไมันรู้จะไปพึ่งใครค่ะยุคใหม่สมัยนี้คนเราก็ศึกษาด้านมากมายมันก็ไปหาตามวัดเป็นที่พึ่งส่วนมากคนมีทุกข์เลยสิร้อยละสี่หกสิบแต่คนมาด้วยศรัทธาน้อยมากค่ะเพราะคนที่มีอิ่มเอิบใจแล้วมีบุญวาชนาที่จะเข้ามาด้วยศรัทธานะน้อยจังทีแต่มีทุกแต่มาทําไมถึงมามาก ที่คุณยอมถามค่ะมาวันี้มามากมันมีทุกมากแต่ทําไมมามากอ่ะเราต้องช่วยเขาแค่คิดว่าเราช่วยเขาได้ค่ะแล้วก็คงจะช่วยได้เขาจึงมาถ้าเราช่วยเขาไม่ได้แล้วเขาจะมาทําไมนี่ปัญหาอยังงั้นส่วนมากมีหลายวัยส่วนมากวัยครอบครัววัยครอบครัววัยครอบครัวแล้วส่วนมากวัยรุ่นก็มากันเยอะค่ะวัยรุ่นวัยรุ่นทําไมมา มันมาอบรมตามโรงเรียนบ้างแล้วก็ตามนิสิตทุเกนมาเหรอคะมาูุเกนมาก่อนทุเกนมาก่อนยังไม่รู้ทุเกนมาก่อนเอ๊มาวัดเนี่ยจะประโยชน์อะไรจะได้ประโยชน์อะไรมาวัดบางทีผู้ปกครองเด็กยังไม่เข้าใจนะมาวัดให้งงมาวัดจะเสียเวลาเรือเกินเนี่ยครัวอาจารย์ไม่น่าจะเอาเอาเด็กมาวัดอย่างนี้ก็มีเป็นจํานวนมากเหมือนกันแต่แล้วเข้ามาแล้วมันก็ได้ผล แล้วกลับไปก็ไปบอกกันต่อๆไปก็ไปชวนพ่อชวนแม่มค่ะนี่เข้ามาที่เรียกไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่รู้มาก่อนต่มันมีประโยชน์แล้วเข้ามาก็เป็นประเภทเด็กวัยรุ่นค่ะแล้วบาที่มีทุกมามากที่สดไม่ใช่เด็กทุกระหว่างครอบครัวค่ะครอบครัวไม่มีความสุขเลยเนี่ยคุณยมนะสองเคล็ดไม่ไม่ปร้องไม่ตอกก็ผิดหวังไปโลกไปโลกทานสมัยกันคสามลูกไม่เอาไหนมันก็มีทุกมาทีงวัด โรคทันสมัยเป็นยังไงคะโรคทันสมัยเนี่ยก็เป็นกันมากทั้งพระทั้งคาวาะเลยค่โรคประชาระโรคประชาระโรคทันสมัยเป็นกันทั่วไปแล้วเมื่อกี้ก็โรคทันสมัยมาเหมือนกันค่ะเนี่ยขอเจริญพรอย่างนั้นคด้าน้นนี้มาเป็นช่นี้คุณระบุธิดายังเด็กวัยรุ่นเขาไม่รู้ธรรมะจะไปว่าเด็กเกเรกระเสรไมญาติขอเจริญพรญาติโยมเพราะอะไม่มีใครบอกเขาน่คะไม่มีใครบอกเลยเนี่ยมาแล้วเขาก็ได้ผล เขาก็กลับไปบอกพ่อบอกแม่เขามันก็พากันใหญ่เลยว่าพึ่งด่ะค่ะเลยวัดเป็นที่ศึกษาวัดเป็นที่พัฒนาจิตค่ะวัดเป็นที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาค่ะวัดเป็นที่พัฒนาตามเศรษฐกิจค่ะวัดเป็นที่พัฒนาสังคมเขาจึงพากันมาขอเจริญพร อ, อย่างนั้นค่ะหลวงพ่อสังเกตไหมคะว่าสัดส่วนของออวัยรุ่นที่เข้ามาวัดนะคะกับสัดส่วนของคนที่มีอายุเนะะี่ยค่ะเป็นยังไงคะ มากพอๆกันไหมคะหรือว่าเด็กจะมากกว่าเด็กจะมากกว่าเพราะว่าคนแก่คนเท่าที่จะมาเนี่ยก็เข้าใจผิดคิดว่าเข้าวัดวเป็นที่พึ่งไปสวนณิพันธ์เข้าใจอย่างนั้นสําหรับคนประเภทแก่ ค, คนแก่แก่หรือคนอยู่มานานแล้วยุ่งเจ็ดก็ไม่มีที่พึ่งทางใจก็มาทางวัดมาฟังเทศบ้างฟังธรรมบ้างแต่ก็เป็นไปได้ยากแต่เด็กสาคัญ ค่ะ <C ye> มันเข้ามามันรู้เรื่องค่ะแล้วก็ไปชวนปู่ย่าตายายก็พากันมาอย่างนั้นออนี่มันเป็นอย่างนี้ค <C ye> ่ะหลวงพ่อคะถ้าหากว่าหลวงพ่อสอนเด็กๆนะคะสอนวัยรุ่นเนี่ยนะคะหลวงพ่อจะเน้นธรรมะข้อไหนคะ <C ye> คืออย่างนี้สอนเด็กเริ่มเริ่บแรกนะค่ะจะเน้นสวดมนไว้จค่ะ <C ye> ไปลา ม, มาไหว้ก่อนเน <C ye> ี่ยพระตาหนึ่งเนี่ยเราจะไปให้ธรรมะเลยก็ไม่ได้เช่นยกตัวอย่างชมลมพุทธศาสตรสต์ค่ะมาตามมหาวิทยาลัย อาตมาลองจี้ดูขนาปริยาโททั้งนัะบอกนี่ฉันทั้งหลายอาตมาจะสอนวิปัตนาให้ในเมื่านางวิปัตนาแล้วจะได้ไปชอนิพานค่ะเขายกมือเลยไม่เอาอไม่เอาทําไงจะเปลี่ยนค่ะคุณยอมจะว่าอย่างไรบางทีบางวัดบอกนั่งจะริยวิปัตนาไปชอนิพานคนทุกไปนิพานค่ะเขาไม่เอาค่ะต้องเปลี่ยนคําพูดเป็นวิปัตนาปริคัอวิปัตนาประยุกต์ค่ะสอนให้สนุก ให้เด็กเข้าใจค่ะแล้วเด็กนี่ปริญญาโทรทำงานบอกไม่เอาครับหลวงพ่อไมต้องการให้ไปนิพพานแล้วมาต้องการไปชวรรค่ะนี่ต้องการอะไรหนูหนูถามที่เขาต้องการถ้าหากว่าเอาที่เขาสอนที่เขาไม่ช่างเอาที่เราไปสอนที่เขาไม่ได้ที่เจ้าสอนโกนวิธีการสอนค่ะต้องเอาที่เขาให้ทีเขาจะเอาที่เราไปให้เขาเขาไม่ชอบเขาบอกเขาไม่เอาเลยทีปรัชนาไม่เอานี่ทำลมพุทธศามาหลายแห่งอแต่มาลงที้อยู่แล้ว เลยก็บอกพูดใหม่เปลี่ยนคำพูดทันทีค่ะมันสองพันกว่าปีจะไปพูดเรื่องอย่างนี้ได้เหรอนะไปสวรรค์ไหมไปนิพพานไหมโอสวรรค์ชั้นโ น, น, นี้ยสนุกสนานเด็กเชื่อไหมเด็กไม่เชื่อต้องเอาให้เห็ น, หนบอกหนูบริหารกายให้เข้มแข็งตีกอล์ฟเล่นฟุตบลอลอเออเาไหมได้กําลังกายขึ้นมาโอเคบริหารจิตให้อดทนเข้มแข็งอดทนต่อสู้ค่ะโหดการอดออมปะนีประนอมยอมความเอาไหม อดทนต่อความยากอดทนต่อความลำ บ, บากแล้วอดทนต่อความเจ็บใจข่มขวัญได้โอเคเอาบริหารเวลาเอาไหมถ้าหนูมาบริหารตายบริหารจิตแข็งแกร่งแล้วหนูจะรู้ว่าหนูเนี่ยมีคุณค่าชุจริงไหมค่ะแล้วบริหารเวลาต่อไปได้เวลาจะเป็นประโยชน์ต่อหนูสักหนึ่งนาทีสี่ตำหนึ่งทอโอเคสอนเลยนี่ยังได้เข้าใจ ก็ไปบอกไปพัฒนากรรมฐานขันห้าหลุน้ําเป็นอารมณ์แล้วก็ไปสว่านยานที่หกนอดแด็ไม่เชื่อค่ะขอฝากไปด้วยนี่ชมรมพุทธศาสตร์มาแล้แห่งนี้จะมาลงที้ต้องเปลี่ยนคำพูดนะต้องใช้กลวิธีการสอนของพุทธเจ้าค่ะต้องเอาคิดเข่าให้คิดเข่าเขาชอบอะไรชอบบริหารกายเล่นฟุตบอลนะแล้วก็ตีกรอบมีกําลังกลับคืนมาบริหารกีแข่งอดทนเข้มแข็งเอาไหมหนูโอเคสอนเลือดเดินจงกลมเซ เดินจงกรมให้มีสติในการเดินจ้ออดทนต่อการเดินทางไกลนะล้วจะอดทนต่อการความเพียนแล้วก็มีอาภาษน้อยหนูเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะหายไวยเขมแข็งและการที่ใส่อีอาหารไม่เป็นพิษต่อร่างกายย่อยง่ายเดินจงกรมออกกำลังกายเอาคืนมาได้เลยและห้าสมาธิในการได้จากการเดินเนี่ยตั้งอยู่ได้นานกว่านะ บอกหนูทางหายใจเข้าออกนับได้ร้อยครั้งหลวงพ่อจะให้เธอร้อยบาทอยาบได้กันนี่เด็กนี่มันเด็กอนุบาลมาเป็นเป็นปลาต้องเอายื่อล่อนะนี่ต้องมีโยบ้านอยู่บา ย, อ ย, บายคอนชโลบายการสอนถ้าบอกเด็กแมานั่งเฉยๆมันจะเอาไหมไม่เอาหนูันให้เธอร้อยบาทนับลมหายใจทางตามูกถึงสะดือเงินเงินสองสองชะชาสองเอา เปี่ยนนี้หายเด็กได้เด็กมันชอบหายใจสันสัค่ะและชอบส่ะพอนั่งกําหนดลมหายใจยาวก็ปั๊บแล้วลองพิสูจน์นี่หลายระดับไม่ใช่สอนวิปัฒนาไปอย่างนั้นค่ะเขียนหนังสือขึ้นบนกระดานดำห้าประทัดอ่านดังๆห้าครั้งอ่านในใจห้าครั้งแล้วลบอ่านได้หมดเอาไปร้อยนี่พิสูจน์นี่พิสูจน์นี่จงสอนหลายระดับใกลถึงพ้องน้อยยมน้อยสวรรค์นิพานเด็กมันจะไปรู้เรื่องอันไลน์ขอเจริญพรอย่างนี้ค่ะ เราไม่จ่ายไปตรงสื่อได้ค่ะจับได้แยะแล้วยังมีพิสูจน์ได้เยอะแยะพิสูจน์เนี่ยอ่านซื้อจําได้แม่นเอาไปร้อยบาทเพราะเด็กเล็กๆเนี่ยมันชอบสะตังคุณยอมร้องไปเรียกเด็กมาทีโนชอบสะตังนะต้องชอบอยากมีวิธีไหมอยากมีบ้านสวยๆไหมเด็กมันอย่างนี้มันไม่อยากไปส่วนนี้ผ่านต้อเอาตรงนี้ก่อนที่สอนข้อการตรงไหนเอาตรงนั้นสอน เขาเจถึงพรอย่างนั้นค่ะหลักสูตรที่นักเรียนเขาเรียนกันเนี่ยนะคะก็มีการสอนกรรมฐานท่กกนี้ครูผู้สอนวิชาพุทธศาสนาเนี่ยนะคะควรจะมีคุณลักษณะยังไงคะครูสอนวิชาพุทธศาสนาจะมาสังเกตุแล้วไม่เห็นด้วยทำไม่ได้ทำไมได้ไปสอนเขายัางไง ร, รู้มากเกินไปเนี่ยค่ะต้องรู้จริงค่ะต้องแสดงพฤติกรรมออกมาให้เขาเห็นค่ะว่านี่เป็นครูสอนพุทธศาสนาต้องมีกิจกรรม ครูสอนพุทธศาสนาต้องมีกิจกรรมสี่ประการหนึ่งต้องศึกษาให้ซึ้งถึงคสองต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติได้แล้วต้องรักความชั่วดีถูกต้องเวยนะต้องมีการทําแจ้งถึงใจแสดงออกบอกให้เขาทราบด้วยการพัฒนาเขาจะยอมรับนี่ครูสอนพุทธศาสนาเนี่ยแล้วไปกินเหล้าได้ไหมแล้วไปเล่นการพนันแล้วนักเรียนทั้งหลายจงเอาอย่างที่ครูสอนจะอยากเอาอย่างที่ครูทำเอาอย่างนี้ได้แล้วครูสอนพุทธาสนาต้องลึกซึง้งนะ ต้องไปที่นับถือของประชาชนด้วยนับถือของคณนหัตถบรรชิตด้วยถึงจะเป็นครูทำไมาเรียกว่าครูครต้องสอนได้ลึกซึ้งและสอนได้ทุกอย่างและสอนด้วยกลละเม็ดกลละวิธีให้เขาเชื่อถือได้ง่ายแล้วก็เป็นรูปแบบให้เขาดูด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นครูสอนจริงทำหรือหรือสอนผู้ศรัทธาตามโรงเรียนอาตมาว่าสอนตามโรงเรียนเนี่ยเอาตํารามาสอนไม่ได้ผลค่ะแล้วส่วนมากมาเรียนทั้งนี้มาแล้วก็พออ อาจารย์ใหญ่ครูใหม่เนี่ยมาใหม่ให้สอนสินธรรมเลยนึกว่าสอนง่ายอย่างไงสอนยากที่สุดนะสินธรรมเนี่ยตัวไม่มีสินมีธรรมไปสอนเขาอย่างไงไปสอนได้ยังไงรูปแบบก็ไม่ดีครับพฤติกรรมก็แสดงออกไม่ได้ไหนเลยเลยเขาจะเชื่อถือเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอาตมาเขาจะเรียนพรอยอยากจะเรียนถามถึงว่าการทํากรรมฐานเนี่ยนะคะจะนําไปสู่การพัฒนาระดับจิตใจของเราได้ยังไงได้สบายมากก็พัฒนาที่พูดไปแล้วเนี่ย คือกรรมฐานหน้าที่การงานชภาพชีวิตรเรียกว่าอุดม <c oughs> สมบูรณ์ <c oughs> เรียกว่าอะไรทางสายเอก <c oughs> กรรมฐานมีทางเดียวคือทางสายเอกที่อุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าสอนที่เมืองกุ ล, ลุรัฐบ้านนั้นอุดมสมบูรณ์หมดเลย <c oughs> ทั้งท่ากรรมกรมีเงินมีทองเหมือนกันหมด <c oughs> แต่มันมือมีฐานะไม่เหมือนกันไอ้ท่ากรรมกรมันไม่ได้เรียนหนังสือ <c oughs> แต่มีเงินเท่ากับพวกเรียนหนังสือ แต่มันจึงต้องมาเป็นลูกจ้างเขาเป็นท่ากรรมกร <Okay. S 2> แต่เจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยกรรมาฐานในฝ่ายเนี่ยกุญแจบอกทางใช้อีก <Okay. S 2> พระบรมโรอกเชเดชชี้แจงแสดงไว้ถ้าใครทําสติปัฏฐานสี่อุดมสมบูรณ์หมดสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบูรณ์ <Okay. S 2> ด้วยชื่อเสียง <Okay. S 2> สมบูรณ์ด้วความรักคนเราเนี่ยขอเจริญพรบอกคุณโยมจริงๆคนไม่มีทรัพย์เนี่ยทรัพย์ภายในไม่มีเลยทรัพย์ภายนอกมันจะไหลามาได้ไง่ <Okay. S 2> มีเงินไหลนองมีทองไหลามาเพราะมีทรัพย์ ถ้าไม่มีทรัพย์ไม่ได้ราบสะดวกเลยน ะ, ะและการที่สองไม่มีชื่อเฉียงคนไม่ไว้ใจถ้าไม่มีความรักเมตตาแล้วใครใครจะมารักโคงโยมล่ะไม่มีโอกาสเลยนี่เนี่ยการเจริญกรรมฐานเนี่ยจึงมีบทความเรียกอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์จริงๆเรียกว่าสติปฐานสี่พระพุทธเจ้าจึงยืนยันว่าทางสายเอกขอฝากไว้การ<ช>กนั่งกรรมฐานของที่วัดอัมภวันเนี่ยนะคะแตกต่างจากการสอนของที่วัดอื่นยังไงคะ อ๋อเขาจะเรยพรฐานดีมากเหมือนกันหมดเหมือนกันทุกวัดเนี่ยเขาสอนเหมือนการสติปัญฐานจก็สอนเหมือนการสมาธิสมาธวิปัตนากรรมาธิสอนเหมือนกันหมดค่ะแต่ปัญหามันอยู่ที่เทคนิคค่ะมันอยู่ที่ไซเคิลจะวางเทคนิคแบบไหนเขาจะชอบแบบไหนมันเป็นเรื่องของคนคนชอบไม่ชอบเมื่ออย่างเรามีของขายเหมือนการล้านขายของเหมือนกันเนี่ยคนชอบเป็นบางร้านนะ่ะ วิธีการที่เขาขายวิธีที่เขาขายน่งบางทีไปเช่าน้องกวักมาหีิสมมุตินะนอกเรื่องหน่อยเอาเช่านางกวักมาทํานี้ใช่ไหมแล้วลูกสาวบ้านนั่นหน้าเหมือนนางกวักมีคนซื้อไหมนี่เปรียบเทียบถ้ายังยี่มอย่างนี้ซื้อหมดเลยคซื้อหมดนี่เป็นนางกวักแหละเพราะการสอนทุกอย่างในวัดพุทธานาเนี่ยประเทศไทยสามหมื่นวัดสอนกันเหมือนเหมือนกันสอนธรรมวินัยสอนธรรมทากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันแนวเดียวกันหมด แต่วิธีการนโยบายอาจจะต่างกันไปบ้างค่ะไม่เหมือนกันตรงนั้นเทคนิคการสอนเทคนิคการสอนค่ะนั่นคอ็การชหลวงพ่อต้องกาอธิบายถึงเทคนิคการสอนของหลวงพ่อเทคนิการสอนก็คือหมายความว่ามีคนชอบเด็กเข้ามาวัดเยอะเด็กมันต้องชอบเราเวลาจะมาเทคนิคการสอนเด็กเนี่ยจะสอนเด็กเนี่ยต้องทอนอายุลรานี่เด็กอายุเก้าขวบสบห้าขวบยี่สิบขวบ ว่าเด็กสอนเราก็ต้องถอนอายุเราเมื่อเป็นเด็ก15ขวบกับเขวบเนี่ยมันชนอย่างนี้ปัญหานโยบายสอนทําให้เด็กชอบเพราะเด็กชอบแล้วพูดมันที่จะเชื่อพอเชื่อแล้วก็ชี้นกเป็นนกที่อะไรเป็นกัาเนี่เป็นการชอบมี่เทคนิคนอันนี้อันหนึง่งแต่ไม่มีใครรู้แต่การสอนทุกอย่างกรรมฐากรรมฐานสอนบาลีเหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างกันไปเลยแต่ต้องมีเทคนิคเหมือนพ่อค้าแม่ค้าขายของเหมือนกันบางคนก็ขายดี ร้านบางร้านก็ขายไม่ได้เลยเพราะอะไรขอให้ตีความเอาเองค่ะเพราะขารนอกจาก<ร>โครงการกรรมฐานแล้วนะคะสอนกรรมฐานแล้วเนี่ยที่วัดอัมพาวันยังมีโครงการอะไรอีกมั่งคะโครงการกรมาารมฐานจะตีความให้หมายความเป็นข้อสองโ ค, <ร>ครงการขก็าตามมาที่ทําอยู่แล้วปลุกคนให้ตื่นเชิญคนให้เป็นงานค<ร>่ะปลุกคนให้ตื่นก่อนมาแล้วตื่นก็ทั่วไปแล้วกระเทให้เป็นงานมีภาวะและตามาก็ทํามาทุกอย่างตั้งธนาคารน้ําบัง ธนาคารเขาทานให้เขากิน <Okay. S 2> ช่วยเขา <Okay. S 2> มัอนอย่างเราเนี่จะไปเคลียร์พื้นที่หรือว่าจะไปช่วยใครถ้าช่วยเขาได้ก่อนเขาก็จะหันเหเล่เข้ามาเนี่ย <Okay. S 2> อย่างเงี้ยเนี่ยโครงการจะมาชื่วใจมากนี่ครับจ oh. ัดน้าเสียอันสร้างสปปร้างสปายะ <Okay. S 2> ให้เขาได้มาสะดวกสบาย <Okay. S 2> ทั้งอาวาุธสปายะอาหารสปายะ <Okay. S 2> บุคลากรสปายะ <Okay. S 2> และต้องมีธรรมะสปายะด้วย okay. ต้องมีความสะดวกสบายทุกประการผู้จ่าสอนให้ความสะดวกสบายมากแล้วโครงการาที่จะตั้งต่อไปอีกยาวนานเนี่ยหึช่วยเหลือเด็กนอกเกณฑ์โรงเรียน<อ>ช่วยมาที่สามสูแล้วได้ผลเลยชื่นใจมากนอกเกณฑ์หมายถึงที่จบป .6 ไปแล้วไม่มคะนอกเกณฑ์ยังไม่เข้าโรงเรียนยังไม่เข้าโ ร, เรา ง, เางเรียนยังอยากเล็เกน ะ, ะยังช่วยเขาพ่อแม่ก็ยากจอนอยู่ในกรมประชาสงเคราะห์ก็ช่วยเหลืออุปถัมภ์บำรุงครับแล้วก็หาวิธีการให้เด็กสวดมนต์ ห้เดกสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์เป็นนิดอติฐานจิตเป็นประจำโอ้พฤติกรรมค่อยๆ ย, ยแผ่เมตตาเด็กจะได้ว่านอนสอนง่ายขึ้นแต่หาว่าโตแล้วไปสวดมนต์แล้วเด็กเขาไม่สนใจจึงได้เป็นโครงการที่ตมาชื่นชึ่นใหญ่มากและได้ผล<อ>ได้ผลมากเลยถ้าไปเอาตัวคนแก่แล้วไม่ได้ผลเพราะคนแก่เนี่ยเขาทอดนะผูะ้เล่นนะงอกแล้วก็หงิกแล้วก็งอเข้าเมนไปไอ้เด็กกำลังงอกงามทําไมไม่ช่วยเด็ก ค, คนแก่เนี่ยหมดพิษหมดภยัยช่างโคมแลนง เราจะไปอะไรก็ท่านผู้แก่ผู้เฒ่าอย่าไปว่าคุณแก่นะใจฟอร์แฟนะต้องว่าท่านผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุแล้วคนนี้จะชอบใจแล้วพอใจเราบอกนี่แกพอใจบอแฟโอ้ท่านผู้สูงอายุผู้ชงคุณนะค่ะชอบท่านผู้สูงอายอาวุธโซพันแต่เนี่ยอย่างนี้เนี่ยตามาเนี่ยโครงการเมียธนาคารน้ะเดี๋ยวนี้ช่วยน้ําขุดน้ำให้เขากินกันนะแล้วก็ธนาคารก็ชาน เอาข้อสารไปช่วยเด็กกาลังยากจนนีย่ยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาสามด่างช้างด่างช้างไม่มีข้าวให้ไปได้วยี่สิบกระสอบสามสิบกระสอบองค์นี้ให้เพราะอะไรที่เราชอบใจที่สุดยิ่งให้ยิงได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดไม่มาเราไม่หวงก็เราไม่อดหมดมาเรื่อยๆรวยน้ําจากโครงการข้อธรรมาก็คือการให้เออบเอ็มใจคือบุญสองการช่วยเหลือเขา ได้มาเท่าลายเ อ, อิบอิ่มใจมังนะนี่โครงการที่จะต้องทําต่อไปศูนย์เด็กรายการที่สองสร้างอาคารเด็กก่อนวัยเรียนที่ยังไม่เข้าทาไปแล้วแล้วก็ช่วยเหลือทุกประเภททุกหมู่เหล่าช่วยทั้งอาชีพการ ง, งานพัฒน า, าชีวิตคนด้วยให้เขาอยู่สุจริตรมหากินโดยสุจริตรมอย่างนั้นในคันลองของชีวิตของเขาคือเดินทางไม่พลาดผิดในชีวิตกฎจรา จ, จรชีวิตค่ะในทางถูกทางของเขาเนี่ยโครงการก็จะมามีเยอะ ยังมีอีกเยอะๆจะจะกล่าวในที่นี้คงไม่หมดค่ะยังมีอีกมากก็ขอชมที่วัดดูบ้างแล้วมาร่วมโครงการน้ำมาทิ่ธนาคารน้ําค่ะขอฝากคุณโยมไปเฉลยธนาคารน้ําคือไรอบําบัดน้ําเสียที่วัดประหยัดน้ําำขาให้ประหยัดน้ําเอาน้ําที่อาบกันว่าเป็นแปดร้อยเก้าร้อยคนเอามาลดตนน้นไม้หมดเอาแสงเลเซอร์ฉายเอาน้ําสะอาดตรงไปน้ําจรพญาไปนี่ผู้จัดสอนสะอาดคสามสอ สามสอสามจอห้าจริงทุกสิ่งปอป อ, ปอหลอก่อนี่โครงการเ <Okay. S 2> ข้าใจคำนี้ไห ม, ไมาสามสอคือหนึ่งสะอาดหมด <Okay. S 2> สะอาดที่กินชิอที่ที่กินสะอาดที่ใสะดวก <Okay. S 2> สอที่สองอยู่ด้วยความสงบสอที่สามสะดวกสบายปลอดภยัยชีวยทรัพย์สินไม่ซสื่อมถึงทางใจต่อไป <Okay. S 2> สามจอจัดรูปแบบตัวเองสองจัดสถานที่ <Okay. S 2> สามไปจัดนอกบ้าน <Okay. S 2> ห้าจริง ทุกสิ่งปอปลกห้าจริงคืออะไรจริงต่อการงานจริงต่อหน้าที่จริงต่อวาจาพูดแล้วต้องทําอย่าเดียวจริงอะไรอีกจริงต่อบุคคลหนุ่มจริงกับสาวสาวจริงกัหนุ่มก็แต่งงานกันได้ถ้าเราไม่มีความจริงใจต่อกันแล้วใช่ไม่ได้เลยนิ้วก้อยมันจะบอกเลยชัดจริงต่อความดีมองไม่เห็นเลยหรือความดีของผู้หลักนี่เขาจะเริยนพรอย่างนะปอปลก ตรงนี้ไม่เข้าใจปปหลก่อหนึ่งปกครองดีอสองป้องกันดีค่ะป้องกันปปรค่ะรักษาดีแก้ไขดีค่ะโอเคปปหลก่อเขายังย่อย่อตัวอักษรได้เราย่อมาเค์แค่ย่อมางค์สามซ้สามจ่อห้าจริงทุกสิ่งปปหลก่ขอเจริญ่ะ